โยมพาลูกชายอายะุสามสี่ขวบมาหหายจังหัน <c oughs> พอแม่นี่เอาของมาถวายก็คงจะใส่บาทด้วยนะเด็กก็เห็นว่าฝาบาทของของกูขาวเนี่ยมีมีเงาะอยู่ แล้วก็คงจะอ่าปอกเปลือกไว้แล้วเด็กไม่เคยเห็นเห็นเนื้อขาวก็อยากได้แม่ก็ห้ามแต่หลวงปู่ขาวท่านก็เห็นว่าเด็กอยากได้ก็บอกว่าบอกกับเด็กว่าถ้าอยากได้เนอาะนี่ก็ต้อง นั่งสมาธินะเด็กไม่รู้จักนั่งสมาธิวิาถาม่นนั่งยังไงคูขาวก็แนะนำนะก็สอนให้นั่งนะขัดสมาหลับตาแล้วก็จิตมีอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ให้บริกรรมด้วยนะแต่แทนที่ท่านจะแนะนำให้เด็กบริกรรมพุทโธ ก็ให้บริกรรมนะอนึกถึงงาะขึ้นมาก็บริกรรมว่าหมักเงาะหมากงาะภาษาอีสานหลับตาก็นึกถึงเงาะเห็นภาพเงาะอยู่ในอยู่ในใจเรียกเป็นนิมิตเลยนะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกก็บริกรรมว่าหมักเงาะ ด้วยความอยากของเด็กนะก็เลยทำต ท, ที่แรกเนี่ยทำไปน้ำลายนก็ไหลนะเพราะวาความอยากกินแต่ว่าพอจิตเนี่ยกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเพร้อมก็มีคำบริกรรมก็เริ่มสงบ เ, เริ่มสงบจงกนกทั่งจิต น, นิ่งไปเลยเข้าสมาธิ เด็กมาเปิดตายทีเนี่ยก็ตอนที่ดินเสียงะระฆังเสียงะระฆังเนี่ยที่วัลดลระภู่ขานี่ประมาณบ่ายสามนะจะตีะระฆังเพื่อให้พระเนี่ยมาทำงานกันปรากว่าเด็กเนี่ยนั่งตั้งแต่แปดโมงช้าถึงบ่ายสามนะสมาธิดิ่งมากเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ก็น่าแปลกนะเด็กนี่สามารถที่จะนั่งได้นานขนาด น, นั้นแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากการที่เด็กนั่งได้นานคืออุบายของลูกผู้ขวนะที่อาศัยความอยากความอยากกินเงาะเนี่ยเอามาเป็นสื่อในการทำให้เด็กเนี่ยนั่งสมาธิ คาอยากกินง้อนี่มันก็เป็นกินเลสนะเรียกว่าตัณหามันก็ไม่ได้มีโทษอย่างเดียวนะมันก็มีประโยชน์ด้วยอย่างหลวงปู่้านี่ก็เอาตัณหาของเด็กเนี่ยมามาใชนะ้เป็นเครื่องมือในการทำให้เด็กเนี่ยนั่งสมาธิตัณหานี่มันก็เป็นอกุศลธรรมนะแต่ว่าถ้าใช้เป็นเนี่ย มันก็ทําให้เกิดกุศลธรรมได้ทําให้เกิดจิตที่สงบมันก็มีเรื่องคล้ายๆกันแบบนี้นะในญี่ปุ่นนะเป็นเรื่องของท่านฮาโกอินฮาโกอินนี่ก็เป็นพระเซนที่ชาวบ้านนี่นับถือมากคล้ายๆกับที่เรานับถือหลวงพ่โตนะแต่ท่านฮากกอินไม่ค่อยมีเรื่องอิทลิอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเรื่องอ่า อ, อิทธิปฏิหารเท่าไหร่วันหนึ่งชาวบ้านก็มาปรึก ษ, ษากับท่านฮากุอินนะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านชำก็ทำแต่งงานเขาพยายามชวนให้พ่อเนี่ยสวดมนต์สวนมนต์นนของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือกล่าวคำเยี่ยมพุทธศุกนะ มันก็มีทั้งสั้นและยาวนะสันนะ้นก็ยนะ่นัโมเมียโฮเรงเกเกี่ยวอะไรเงี้ยแต่พ่อก็บอกว่าไม่ว่างนะฉันเวลาปิดร้านก็จะทําบัญชีจะทําบัญชีอย่างเดียวนะไม่ว่างที่จะสวดลูกก็รู้ว่ามีคำแก้ตัวที่จริงพ่อว่างแต่พ่อก็ายเบี่ยงมาปรึกษานทนายกุลินว่าทํายังไงดี ท่านอากวยินก็เลยบอกว่าไปบอกพ่อนะว่าถ้าสวดเนมบูสูเนี่ยจบหนึ่งก็จะให้อีแปะหนึ่งท่านอากุกินจะให้เองเลยสวดกี่จบก็จะได้เทานันอีแปะให้จำเอาไว้จดเอาไว้นะว่าวันหนึ่งสวดกี่ครั้งนะ ลูกชายก็เลยไปบอกพ่อพ่อก็ดีใจนะเพราะพ่อเนี่ยเป็นคนงกนะเป็นคนงบนะพ่อก็เลยส่วนใหญ่เลยนะอ่วนส่วนแต่ละครั้งก็จำเอาไว้นะว่าอ่ากี่เที่ยวแล้วเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปเบิกเงินนะจากท่านอากุอินนะบางหน้าไปหาที่วอรเลยเนี่ยบอกว่าเนี่ย สวดได้สิบจบสวดได้ยี่สิบจบก็ท่านอาวุธก็ให้นะให้ไปสิบอีแปดบางวันก็สิบอีแปดวันก็ยี่สิบอีแปดแล้วก็ดีใจก็สวดใหญ่ตองสวดไปสวดไปเนี่ยจิตเริ่มสงบนะจิตเริ่มสงบพอสงบแล้วก็ลืมสวด อ่าลืมลืมลืมนับว่าสวดได้กี่จบแล้วก็เลยต้องสวดใหม่นะเริ่มนับหนึ่งใหม่พอสวดไปได้สักพักนะจิตสงบลืมอีกแล้วนะตอนหลังเนี่ยก็กลายเป็นว่าเกิดความเกิดปิติในการสวดนะ ก็เลยไม่สนใจจำแล้วว่าสวดกี่จบแล้วก็ทำให้เกิดศรัทธาในในพระตนาไตรนะจิตเรื่องความสงบเนี่ยพอจิตได้พบความสงบเนี่ยนะใ้เรื่องในเรื่องทองก็ไม่สำคัญแล้วหลังจากนั้นก็สวดโดยไม่คิดจะเอาเงินะแต่เพราะว่าได้พบนะอ น, นิสงส์เห็นการสวดคือจิตสงบเป็นสมาธิ ภายหลังเจ้าของร้านชำคนนี้ก็กลายเป็นผู้ประทับนะเป็นประถานคนสำคัญคนหนึ่งของท่านหากกอินอันนี้ก็เริ่มต้นจากตัณหาเริ่มต้นจากความโลภนะอยากได้เงินทาไปได้เงินก็ไม่สนใจหลอสวดมนต์นะแต่ว่าพอสวดแล้วเนี่ย ในปัญหาเนี่ยที่ที่มีอยู่เนี่ยมันก็ค่อยๆกลืนหายไปเพราะว่าได้อา น, นิสงส์จากการสวดคือความสงบนะเป็นสมาธิอันนี้ก็เป็นอุบายของท่านทากุยินที่คล้ายๆกับหลวงปู่ขาวนะก็คือใช้ปัญหานะครูยาดแต่ว่าปัญหาเนี่ยละปัญหาได้นะเราต้องรูจักใช้ตัญหาละตัญหาตัญหานี่ก็เป็นกินเลส น, นะ แต่มันก็มีประโยชนนะ์ไม่มีอะไรที่ร้ายประโยชน์นะของทุกอย่างในโลกนี้นะมันมีทั้งคุณและโทษไอ้สิ่งที่เห็นว่าเป็นโทษเนี่ยมันก็มีคุณอยูนะ่สิ่งที่เป็นพิษเนี่ยก็สามารถจะใช้เป็นอยารักษาโรคได้ถ้าว่าใช้อย่างถูกต้องนะ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 ทั้งี่เป็นโสดาบันแล้วแต่ไม่สามารถจะสอนลูกเนี่ยให้มีธรรมะได้อันนี้ก็เป็นเป็นหลายครอบครัวนะในสถาบันการบางครอบครัวเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ก็เป็นโสดาบันนะแต่ว่าไม่สามารถจะสอนลูกเนี่ยให้ละมิจฉาทิฏฐิได้ อย่าพวเราเคยดีเรื่องทิศหกเนะสิงคหลักกรมา น, นุษย์สิงคหลักกรรมมานุษย์นี่ผู้เป็นโพ้กที่บูชาทิศเนือทิศใต้ตอนออกตอนตกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทียิงพ่อเนี่ยนะแม่ก็สดาบันแนละ้วแต่ว่าไม่สามารถจะทําให้ลูกคือศิงคลกรรมมานุษย์นี่ยถันมามีสมาธิฐิได้นจนพระพุทธเจ้าได้มาสอนว่าเนี่ย ะทิศหกนะที่ถูกต้องในอริยวินัยคือนะอย่างเช่นทิดเบื้องบนก็พ่อแม่คิดเบื้องหน้าครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ยังถูกต้องนะทั้งพ่อทั้งผู้มีพคุณนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งมิตรสหายทั้งคู่ครองแล้วก็คนรับใช้ ลูกหลานอั น, นอเนี้ยคือทิศที่สำคัญกว่าในชีวิตของเราคือ hmm. สิกะมัานแล้วก็เกิดมีสมารามถทิฐิขึ้นอาจารบิณฑิกาเศรษีก็เหมือนกันนะพยายามสอนลูกให้มีธรรมะลูกไม่สนใจก็เลยเอาบายให้ลูกเนี่ยไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าไปฟังถ้าไปฟัง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 เพื่อเป็นการพิสูจน์ได้ไปฟังจริงก็ให้มามาเล่านะว่าได้ยินอะไรบ้างผู้เจ้าได้เทศอะไรบ้างด้วยความอยากได้เงินก็เลยเอา้าวคราวนี้ไม่ใช่ไปแต่ตัวนะ้วก็ตั้งใจฟังด้วยแต่ว่าผู้เจ้าก็บรรดาให้ลูกชายเนี่ยจาเท่าไหร่ก็จาไม่ได้นะพยายามจะจำ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 บอกว่าในสุดนั้ก็บรรลุ ธ, ธรรมเลยนะบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันเลยกลับไปบ้านนะหน้าตาอิ่มเ อ, อิบอ่านาที่เป็นที่กายเห็นก็จะให้เงินแต่ว่าลูกชาวไม่ต้องแล้วเพราะาได้อริยรัพย์แล้วนั่นี้เรียกว่าบรธธรลุโสดาบันเพราะปัญหานะคือความอยากได้เงินอยากได้ค่าจ้างค่าจ้างฝัง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 ที่ใช้ตันหาของตัวเนี่ยในการทำให้เกิดความตั้งใจในการทำความเพียรอย่างก็ไล่ๆนะช่วงกล้ๆช่วงเ ว, วะลาเดียวกันเนี่ยกับเรื่องที่พูดนะคือในสถาบันก็มี ย่าจบเห็นใจนะเป็นขอทางทูึกว่ชื่อมันลำบากมากนะอดมือ้อกินมือ้อเป็นพระเนี่ยในในพุทธศาสนาเนี่ยมีข้าวกินไปบิณฑบาตก็มีคนให้ไม่มีอดอยากรู้สึกว่าสบายก็เลยมาขอบวชนะก็ได้บวชนะ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 ตื่นบอกไปว่าตอนที่ยาติจบแขงแจ้วนี่บวดพรานเนี่ยนะเสื้อผ้านเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะทั้งนี้เป็นเสื้อผ้านเก่าข้าคราบปุปากไม่ได้ทิ้งด้วยความเสียดายกันมังก็ไปแขวนไว้ที่บนกิ่งไม้ในป่าครั้นเวลากระสันอยากจะศึกเนะี่ย กสันอยากสะึกนี่ไม่เป็นต้องว่ากสันเพราะอาการมราคานะอาจจะกสันเพราะว่าเบื่อหน่ายรู้สึกยุ่งยากนะผู้แรกคือว่าอึดอัดในการบวชนะอันนี้ก็เกิดกสันจะสึกได้เหมือนกันพอจะพอจะสึกนะก็ เดินเข้าไปในป่านะพอเห็นเสื้อผ้าที่ตัวเองเคยสวมใส่ก็นึกถึงชีวิตที่ลำบากลำเคนก็ทำให้ไม่อยากสึกนะเปลี่ยนใจไม่สึกแล้วดีกว่าเนะมันลำบากนะขืนไปเป็นคาราวะาเหมือนเดิมออกมาจากป่าบางทีเพื่อนก็เห็นนะเพื่อนก็ถามว่าไปทำอะไร อย่าบ่าไปหาอาจารย์ก็ทำอยู่หลายครั้งนะจนเพื่อนนี่รู้เลยนะว่าถ้าออกจากฝ่านี่คือไปหาอาจารย์แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่ตัดสินใจกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งนะถึง จ, จุดหนึ่งก็ ตั้งใจปฏิบัตนะิพอปฏิบัติเข้านะก็เห็นผลเลยนะบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์เพื่อก็สังเกตว่าในหลังนี้ไม่ค่อยไปหาอาจารย์เลยไม่ค่อยเห็นเข้าป่าเลยนะแต่ก่อนนี้เข้าเข้าออกอยู่ประจำนะตอนนี้ไม่เห็นเลยก็เลยถามวันนี้ท่าน ไ, ไปหาอาจารย์เลย จังหวต่วันนี้หลอนขบวนเจ้าไม่ต้องตึ่งพาอาจารย์น ะ, ะเพื่อนเพราก็หาว่าท่านอวดอุตรีมาสธรรมนะก็เลยไปทูลฟังพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเรียกตัวมาถามท่านก็อธิบายให้ฟังเอย่างที่ว่ามาอันนี้ก็เป็นนะเรื่องของคนที่บรรลุธรรมได้เพราะว่าเพราะตัณหามีส่วนมากทีเดียวนะ ให้ความกลัวลาบากความเกียดคร้ามเนี่ยมันก็คือตัณหาชนิดหนึ่งนะความตัณหามันไม่ได้เพียงแค่ผลักดันให้ดิน้นรนนะไปหาตัณหานี้เท่านั้นนะแต่รวมถึงว่าการขี้เกียจที่จะทำงานก็เป็นตัณหาอย่างหนึง่งอยากสบายจึงมาบวชพระแล้วก็กลัวทุกข์จึงไม่อยากศึกเนี่ยแต่ว่ามันก็เกิดผลดีนะเพราะว่า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 ธรรมะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือมิฉะนั้นเราก็ใช้ตัณหาที่เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละนะเป็นเป็นตัวหมุนตัวส่งนะให้เกิดความเปลี่ยนในการปฏิบัติการใช้กิเลสเนี่ยมันก็เป็นอุปายอย่างหนึ่งนะในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรม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 มีความมานะพยายามที่จริงมานะนี่มันไม่ได้แปลว่าขยันแต่ว่าความพยายามหลายครั้งเนี่ยเกิดจากมานะก็คือเห็นเขาทําได้เราก็ต้องทําบ้างกลัวอายกลัวเสียหน้าเนี่ยมานะนี่เป็นเรื่องการเรื่องของหน้าตาเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่อ ง, องความถือตัวว่าเก่ง บางทีการที่ญาติโยมกราบไหว้พระเนี่ตนะอนนี้ก็ทําให้พระจะต้องนะสํารวมระวังจะต้องทําตัวให้ดีนะให้ส่งต่อที่เขากราบไหว้อันนี้ก็เป็นมารนณะ์ะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะหรืออย่างน้อยเนี่ย แต่ไม่กล้าทําชั่วเพรากลัวว่าเขาจะตำหนิติเตียนกลัวญาติโยมว่าตำหนิติเตียนพวกกนกลัวเสียหน้านะก็เลยทําให้ต้องอประพฤติปิดประพฤติตามเขาทำมาวิ น, นัยนะหรือว่าเขาใส่บาดเขาเลี้ยงดูแลถ้าเราขี้เกียจเนนะี่ยมันก็ไม่ควรเดี๋ยวเขาจะว่านะเราต้องทําตัวให้ดีกับเขา เพื่อเขาจะได้ไหว้เราแต่บามันกลัวสึกนะกลัวสึกแล้วเนี่ยคนจะไม่ไหว้ตอนนี้เป็นพระศึกแล้วเป็นหมาเนี่ยก็เลยไม่กล้าศึกแต่มาบางทีตอนตอนที่บวชใหม่ๆนี่ก็เตือนใจแบบนี้เหมือนกันนะว่าเนี่ยศึกไปแล้วนีเป็นหมานะพอที่แบบนี้เขามันไม่อยากเป็นหมานะเลย อย่าไปคิดสึกเลยนะนะให้ความคิดว่าไม่อยากเป็นหมาเนี่ยหรือว่ากลัวอะไรเป็นหมาเนี่ยก็ก็มารณ์มันกันนะเพราะว่าใครๆอยากเป็นเทวดาไม่อยากเป็นหมาอันนี้ก็เตือนคนไม่ให้ทำชัว่วอะไเหมือนกันบางคนก็อาจจะมีจิตใจใฝ่ต่ำนะบางทีเห็นหญิงสาวอยากจะมีกิ๊กนะอยากจะไปเป็นชู้ แต่พอเนืกว่าเนี่ยเดี๋ยวเกิดคนเขารู้เนี่ยเ็าจะรวมประนามด่าว่านจะกลายเป็นหมาเนี่ยเป็นถูกกล่าวหาเป็นที่สุดสิบลินทาอาจจะเอาขึ้นเฟซบุ๊กก็เลยไม่กล้าก็เลยยังรักษาศี่ข้อสามได้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเหตุผลที่หลายคนเน ย, ยังไม่ทำชั่วทำแต่พยายามทาความดีเพราะ กลัวโทษนะโทษอันนี้คือการที่มันกระทบกระมานนะแต่เราสามารถจะใช้กิเลสนะให้เป็นประโยชน์ในทางที่พัฒนาตนให้ดีขึ้นไม่ใช่เพียงแค่อคอยเตือนไม่ให้ปล่อยตัวตกต่ำนะง้นถ้ารู้จักนะรู้จักนะ ใช้กิเลสเนี่ยมันก็ไม่ว่าเป็นกิเลสของเราหรือกิเลสของคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยนะสามารถจ ะ, ะพัฒนาตนได้หรือช่วยคนอื่นเนี่ยเขาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็นได้พุทธศาสนาเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัตินิยมมากนะการ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 อย่างรลูงปู่ขาวเนี่ยนะแทนที่จะให้เด็กภาวนาพุทโธนะหลายคนเนี่ยก็จะคลึงครัดมาแลนะ้วต้องพุทโธนะอย่างอื่นไม่ได้อันนี้บางทีเราก็เห็นเขาสอนกันตามที่ต่างๆแต่ลวปู่ขาวนี่ท่านพลิกแปลงได้ไม่เราพุทโธเราเอาหมากเงาะนี่แหละนะหรืออย่างหลวงอบพุน่นเนี่ยสอยเป็นเนเนี่ยไปไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะ ดูแลท่านภาวนาเนี่ท่านภาวนาพุทโธเนี่ยไม่ไปเลยภาวนาก็ต้อถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นท่านก็เลยทายัางไงนะบังเอิญ น, นะผู้หญิงคนนั้นชื่อประยูนก็เลยเอาชื่อประยูนเนี่หยมาภาวนาซะเลยนะหายใจเข้าปล่าหายใจออกยูนหายใจข้อปล่าทำยู น, ยยนเพรว่าสมาธิมาเลยนะอันนี้เราทึ่แปลงนะ นักปฏิบัตินี่ต้องรู้จักพลิกแปลงที่จริงไม่ใช่เฉพาะนักปฏิบัติเราคนที่อ่ต้องการชีวิเจริญงอกงามเนี่ยก็ต้องรู้จักพลิกแปลงนะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ลงร่องหรือว่าไม่ตีกรอบให้กับ ต, ตัวเองแล้วิธีนี้ที่ทําให้เราเนี่ยเป็นนายของกิเลสได้แต่ที่กิเลสมันยัง มันยังไม่หายไปยังไม่หมดไปเนี่ยเราก็เอามาันมาใช้เป็นประโยชน์เป็นนายกิเลสนะอย่าให้กิเลสเป็นนายเราในกรณีกับเวลาเราทำงานเนี่ยนะเราก็ทำงานนะอย่าให้งานทำเราคนส่วนใหญ่นี่ไม่ได้ทำงานนะส่วนใหญ่งานทำเข้ามากกว่าปล่อยให้งาน ทำเราคือว่าทำด้วยความเครียดรู้สึกกดดันงานเป็นนายเรานะเวลานึกถึงการทํางานก็เครียดขึ้นมานะงานเป็นนายนะสร้างความทุกข์ความกดดันความเครียดให้อ น, นี้เรียกว่าวงานทําเรานะเราต้องทํางานก็คือเราเป็นนายเป็นนายเหนืองานเราใช้งานเพื่อนะ เพื่อเป็นประโยชน์นะในการพัฒนาชีวิตเช่นทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยนะเวลาทำงานก็ใช้งานนี่แหละเป็นการฝึกจิตฝึกใจอันนี้เรียกว่าใช้งานให้เป็นประโยชน์นะอันนี้เรียกว่าเราเป็นนายของงานนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยให้งานเป็นนายเรา ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เครียดทำให้หงุดหงิดทำให้รู้สึกกดดันเท่านั้นนะแต่ว่ายังไม่รู้จักปล่อยวางงานมันก็เลยตามเราติดถึงเวลานอนก็นอนไม่ได้คิดถึงงานนะอยู่กับโลกก็นึกถึงแต่งานหงุดหงิดนะเลยไม่รู้สาเหตุหรือระบายความหงุดหงิดใส่ลูกใส่คนรักเพราะว่า เครียดเรื่องงานหรือกาลังคิดเรื่องงานอันนี้เรา ง, งานเป็นนายเราแล้วนะมันก็น่าแปลกนะเราทำงานเพื่อที่เราจะได้มีเงินและเงินก็ทำให้เราเนี่ยนะมีชีวิตที่ฐาสุขอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของผู้คนมากมายต้องการความสุขต้องการความสบายก็เลยทำงานเนี่ย จะได้มีเงินมาซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกจะได้มีข้าวปลาอาหารมีปัจจัยสี่เราทำงานเพื่อความเพืปรารถนาความสุขแต่เวลามากลับทุกข์พ้องงานแล้วก็ปล่อยให้มันสร้างความทุกข์กับเรานะไม่เลอกลาสักทีแล้วก็ไม่เคยตั้งคาถามเ อ, อ้ยเราทำงานนี้เพื่ออะไร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 กดขี่เรานังนั้นถ้าเรามีสตินะแล้วก็เห็นนะว่าสิ่งที่ควรเป็นคืออะไรหรือว่าเราลึกได้ว่านั้งเดิมเนี่ยเรามาทำงานเพื่ออะไรมันก็จะช่วยนะพลิกท่าทีของเราต่อ ง, งานได้และพยายามที่จะเป็นอิสระนะต่อ ต่อสิ่งต่างๆให้ได้หรือว่าพยายามที่จะเป็นนายสิ่งต่างๆอย่าปล่อยให้มันเป็นนายเราเงินท้องก็เหมือนกันนะถ้าเราเป็นนายของเงินเนี่ยมันก็ดีนะมันก็จะเกิดความเจริญงอกงามแต่คนส่วนใหญ่ปล่อยให้เงินเป็นนายเราทมทุกอย่างเพื่อเงิน ทะเลาะ ก, ก็เพื่อเงินนะโกหกก็เพื่อเงินนะบางทีก็โกงเพื่อนโกงพี่น้องก็พ้องเงินยอมทําชั่วก็พ้องเงินแล้ ว, ว่าหลายคนก็ยอมตายเพื่อเงินนะไม่ใช่ตายเพราะงานนะไม่ใช่ตายเพราะทำงานหนักนะแต่าตายเพราะว่าจนมาพ่นมาจี้เอาเงินมา ได้เงินต่อสู้ขดัดขืนก็เลยตายนียกว่าตายเพราะเงินทอ้งที่เงินเนี่ยนะมันควรจะเป็นทาตของเราเราควรจะเป็นนายของเงินไม่ใช่ให้เงินเป็นนายเราความคิดก็เหมือนกันนะความคิดเนี่ยมันควรจะเป็นเป็นตัวรับใช้เรามีปัญหาก็ใช้ความคิดนี่แหละ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 จนเราไม่ได้หลับไม่ได้พักผ่อนเนี่ยมันใช้สมองของเราไม่ใช้ใจของเราเนี่ยเพื่อที่จะผลิตความคิดปรุงแต่งใบต่างๆนานาจนมบางทีเราถ้าจะเป็นบ้าอันนี้เรียกว่าความคิดมันใช้เราเราไม่ได้ใช้ความคิดความคิดเป็นบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวเงินก็เหมือนกันนะเป็นบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลว แต่คนก็ไม่ค่อยเฉลียวใจเท่าไหร่่อให้มันเป็นนายเราถ้าเราเป็นนายความคิดนะชีวิตเราจะไม่ไม่ทุกข์ไม่ย่ำแย่มันจะมีแต่วความเจริญมีแต่วความความสุขและความสําเร็จแต่ถ้าหากว่าความคิดเป็นนายเราเมื่อไหร่นะอาจจะมีเงินใช้แต่ว่ามันไม่มีความสุขร่างกายก็แย่ พยายาี่จะยกจิตให้ให้เป็นนายนะเหนือสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาไม่จะเป็นเงินไมไ่เป็นความคิดหรือม้กรกิเลส น, นะจะเผลอถูกมันใช้บ้างไม่เป่นไรแต่ว่ารู้ตัวมาแล้กลับมาสติมันช่วยยกจิตของเรานี้ให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งถ้ามีปัญญาด้วยแล้วนี่จะเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงมันจะทุกอย่างก็จะไม่สามารถจะครอบนา กำกับเราได้ต่อไปอันนี้เราเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงนะเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติมีปัญญาเราจะเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะว่าความคิดก็ดีงานก็ดีเงินก็ดีพวนี้มันจะไม่ใช่เป็นนายหรือไม่ใช่เป็นตัวกดขี่เราต่อไปนะแต่เราจะอยู่เนื้อมันและเราจะเป็นฝ่ายใช้มันนะเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสร้างความสุขเพื่อสร้างคุณงามความ